าอาเจาปริหานิยธรรมสมัยนั้นท่านพระอนนท์ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ณนะเบื้องพระปริติดังพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอนนท์มาตรามว่าหนึ่งอนนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัชีมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันมากครั้งท่านพระอนนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง 2. อานนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม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 สี่อานน์เธอได้ยินหมว่าพวกเจ้าวัชีสักกระเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีสักกระเคารพนับถือ บูชาเจ้าวัชีผู้มีประชนมายุมากของชาววัชีและสําคัญถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังอานอน์พวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้มีประชนมายุมากของชาววัชีและสําคัญถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่า เป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 5. อานนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วยอานนท์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 ที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสู์ไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีศักระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นเจดีของชาววัชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสู์ไปอานนท์ พูกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พูกเจ้าวัชียังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัดชีของชาววัชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปเจอานนนเธอได้ยินไหมว่า พวกเจ้าวัชชีจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอรหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แวนแควนของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพาสุกในแวนแควนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชชีจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม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 ทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แวดแคว้นของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพาสุกในแวดแคว้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสคราพราหม์มหาอมหาแคว้นมครว่าพราหมณ์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีเขตกรุงเวสาลีได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่พวกเจ้าวัชี พวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังมีอปาริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่และใส่ใจอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วัชการพรามณมหาอมาตคว้นมคตได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกเจ้าวัชี มีอปาริหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียวก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยไม่จำต้องกล่าวว่ามีครบทั้งเจ็ดประการข้าแต่ท่านพระโคโดมพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวชีนอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสามัคคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าอย่างนั้นบัตรนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทําอีกมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ขอท่านจงกําหนดเวลาที่สมควรนะ่าบัตรนี้เถิดจากนั้นวัชการพรามณ์มหาอมาตแคว้นมคตมีใจยินดีชื่นชมพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลูกจากที่นั่งจากไปพิกุอาปาริหานิยธรรมเมื่อวัชการาพรามหาอมหาแคว้นมคตจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระ อ, อ น, นุ์มาตรัสว่าอา น, นุ์ เธอจงไปนิมนต์ภิกษุที่เข้ามาพักอยู่ในกรุงราชครืทุกรูปให้มาประชุมกันที่หอฉันท่านพระอานนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วนิมนต์ภิกษุที่เข้ามาพักอยู่ในครุงราชครืทุกรูปให้มาประชุมกันที่หอฉันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยือนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดพระพผู้เจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไ้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอภ ร, ริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลาย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 สี่พิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังศักกะระเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญยู่บวชมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังห้ากิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิษุยังไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาก็ให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว 6. ภิิษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเป็นผู้มุ่งหวังเสนานะปา 7. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังตั้งสติไว้ในภายในว่า ทำอย่างไรเพื่อนโพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาพึงมาท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพราสุกภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่และใส่ใจอปปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่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 ยังเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีการนอนหลับไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ภพิกษุพ <k> ึงหวังได้แต <substantial S 2> <clarify S 3> ่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท no ี ang, nice other, ่ภิษุยังเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วไม่ตกไปสู่อำนาจของความปรารถนาชั่ว 6. ภพิษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังไม่มีมิจฉุ่นมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่ว 7. ภิกพิพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังไม่ถึงความหยุดชะงักในระหว่าง เพียงเพราะบรรลุคุณวิเศษชั้นต่ำภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบที่ภิกษุยังมีอภริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่และใส่ใจอภริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่ พิสุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าภิษุทั้งหลายหนึ่งพิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังมีศรัทธา 2. ภิกษสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกสุยังมีหิริ 3. ภิกิสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกสุยังมีโอตตะปะ 4. ภิกิสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเป็นพหูสูตรหา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 เราจะแสดงอาปาริหานิยธรรมเจ็ประการอีกมวลหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกษุเหล่านั้นทุนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียตรัส ด, ดังนี้ว่าพิกษุทั้งหลายหนึ่งพิษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสริมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเจริญสติสัมโภชน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 ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัดสรู้คือความสงบกายสงบใจหกพิษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังเจริญสมาธิสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัดสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจ็ดพิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที네่ภิษุยังเจริญอุเบขาสมโพชชง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 กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. ภิกษุพึงวางได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. ภิกิุพึงวางได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเจริญอสุภะสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4.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 ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตเจ็ดภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุพิงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทอาหารในบาตรบริโภคร่วมกับเพื่อนพูมจารีทั้งหลายผู้มีศีล 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ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 เสมอ ก, กันกับเพื่อนโรมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี้อยู่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 ย่อมมีผลมากมีอันิสง์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภาสวะและอวิชชาสวะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในกรุงราชครืรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังอัมพฤิกาวนกัน ท่านพระอา น, นุนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงอําพัทติกาวันประทับอยู่ที่พระตําหนักหลวงในอําพัทติกาวันได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พระตําหนักหลวงในอําพัทธิกาวันทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในอัมพลติกาวันรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์ on, เราจะเข้าไปยังเมืองนาลันทากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงเมืองนาลันทาประทับอยู่ที่ปาวาริกามพวันเขตเมืองนาลันทานั้น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 เธอกำหนดรูปพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจกทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภา ค, คทรงมีศีลอย่างนีแ้แม้เพราะเหตุนี้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 ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ชะไหนเธอกล่าวอาสพิวาจาเธอเธอเอาด้านเดียวบันเลอศีหนาดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาค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 นายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูขนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใด วิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรห้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐานสทรงเจริญพุทธชงเจตตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการก็จกทรงละนิวรหที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกําลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปทานสทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทรนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปทานสี่ทรงเจริญพูดชงเจ็ดตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าค่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ในปาวาริกรัรมพวันเขตเมืองนาลันทาทรงแสดงธรรมมีคถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า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 ภาวาสะวะและอวิชาสะวะทวกของคนทุศีลห้าประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในเมืองนาลันทารับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า มาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังปาตาลีคามกันท่านพระอาโนนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงปตาตลีคามพวกอุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปตาตลีคามได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปตาตลีคามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร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 กระทำประทักษิณเข้าไปยังเรือนพักแรมแล้วปูเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ปูเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะ ตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุงสงสเด็จเข้าไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนพักแรมประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศตะวันออก <ฟ>ฝิกษพิสุส่งล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือน พ, พักแรม น, นั่งพิงฝ า, าด้านทิศตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปิดแางของพระผู้มีพระภาคส่วนอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกพินหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้น Partners พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามมาตรัสว่าข้าหบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นโทษประการที่ 1. แห่งศีลวิบัติของบุคล ค, ออบคลผู้ทุศีน 2. องกิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีน 3. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรามณนบริษัทก็ตาม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 หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่หแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้แล อนิสง์ของคนมีศีลหประการข้หบดีทั้งหลายศีล ส, สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงห์5ประการนี้อนิสงห์5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโพครัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสง์ประการที่ 1. แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตามขหะบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมกแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป นี้เป็นอนิสงส์ประการที่3แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลสีบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่หแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลขาหาบดีทั้งหลายศีล ส, สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงฆ์หประการนี้แลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาเกือบตลอดคืนทรงส่งกลับด้วยพระดํารัสว่าข้าบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วจากไป เมื่ออุบาสุอบาิกาชาวปาตลิคามเหล่านั้นจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังเรือนว่าง